เราก็ตื่นตัวกันมาตัม้มเช้าหลังจากตื่นนอนกันมาทั้งคืนเวลานี้เราก็ไม่ง่วงเหาเหงานอนแล้วความรู้สึกตัวมันเป็ น, น, นแจ่ หายรหัสกรรมรหัสของธรรมชาติในกายในใจของเราแล้วก็เพื่อที่จะดำรงชีวิตลมหายใจเข้าออกต่อไปอย่ามีความผาสุข แต่ไมไ้เอาความสุขามาเป็นความสุขเป็นความปกติสุขมาตรฐานของจิตมาตรฐานของชีวิตก็ต้องปกติสุขมันเป็นสุขเกษมสารมนยสุขเผาสุขจีสุขที่ขณะดนี้หลายคน ก็สงเวยสงวยชีวิตไปกับความสุขหินเล่ามายาเที่ยวเตยเล่ร่อนท้ายสุดก็ประมาทตุกๆวินาทีมีคนตายหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งค น, นงคนถีบเราก็ไ่ประมาทกัน ในฐานะได้เกิดประเทศไทยเป็นคนไทยมีศาสนาพุทธมีวัดวารามต่างๆมีโอกาสโอกาสที่จะทำดีมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมเราใช้โอกาสกายใจของเราเป็นองค์กรความรู้สึกตัวสติเป็นเครื่องมอือ ศีนสมาธิปัญญาบนบาปทุกเหตุแห่งทุกกาออกจากความทุกข์เป็นสิ่งที่จะต้องถูกรู้ถูกเห็นสัมผัสมีความชัดเจนหายสงสัยเราจะได้ทิ้งไว้ข้างหลังนั่นะ การเดินผ่านเป็ <Yeah. S 1> นประสบการณ์ของชีวิตที่ทั้งปฏิบัติกรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมกรรมดีกรรมชั่ว <Yeah. S 1> มโนกรรมกรรมรอหันเกิด <Yeah. S 1> ในจิตในใจของเราอยู่ที่การปรุงการแต่งปุญญาที่สังขารอาปุญญาที่สังขาร ภาษาที่มันใช้มันเป็นภาษาศาสนาภาษาบาลีมันก็เป็นรูปแบบของคําพูดเป็นกล่องของคำพูดเพราะเราไม่ได้คิดเองมันมาจากพระเจ้านั่จากประเทศอินเดียมันไม่ใช่ความจําที่เป็นแค่ล่องรอยจากคําพูดของคนจากหนังสือตำลักตำรา มัน <c oughs> เป็นปาัาษาสื่อสารเจ้าละน้องกำใส่ตนแล้วมีการกระทาลงไปออนะนสิ่งนั้นมันเป็นอาการของธรรมชาติหล่อทอรหัสแบบนั้นแหละแผนที่มเป็นการเดินทางฉลากยาเป็นการดื่มจริงๆกินเข้าไปจริงๆรับประทานลงไปจริงๆ ความรู้สึกตัวมันเป็นคำพูดแต่การกระทามันทำยังไงมันคืออะไรเราถอดละหันลงไปในการเคลื่อนไหวของกายแต่ละกะันนะเจตนากระทมเป็นกรรมฐานยิ่งจะมงนี้หลายคนก็เก็บลมเข้มต่วนใหญ่แล้วตีสำนวนตีความหมายของภาษาเป็นอย่างที่เราคิดกันไม่ใช่ เขก็ว่าอย่างนั้นเราก็ ว, ว่าอย่างนี้แต่ความจริงมันคือความจริงสัจจามคือสัจจะมันไม่ใช่อย่างที่ใครตีความทังนั้นแหละรหัสของกรรมรหลัสของธรรมชาติโดยเฉพาะสติศีนสมาธิปัญญากำหนดที่เป็นธรรมชาติแต่ความก็มีมิจฉาสติมิจฉาสมาธิ ปัญญาเจโกสัมมาก็มีฝ่ายบวกฝ่ายลบมันไม่จะหมายถึงว่าสติก็จะดีทั้งหมดเลิศทั้งหมดสมาธิจะดีทั้งหมดเลิศทั้งหมดเราต้องถอดรหัสธรรมชาติธรรมะเหมือนกับฝนตกอย่างนี้ ฝนไม่ใช่หมายถึงว่าดีทั้งหมดฝนก็คือน้ำฝนตกผ่านชั้นบรรยากาศมาอากาศเป็นพิษมลภาวะเป็นพิษฝนเหลืองแต่ภาคตะวันออกสุดปากาน้ำฝนเดือมไม่ได้ ต้องมากัรมากลองกันถึงจะดื่มได้เหมือนสติสมาธิปัญญาเหมือนกันมันไม่ใช่สภาวะของธรรมชาติที่เป็นกลางๆอย่างเดียวมันมีบวกมีลบมีบนมีบามีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์อยู่ในนั้นเราก็ถอรละหด เห็นมันความรู้สึกตัวนี่แหละมันเป็นกุญแจดอกเอกเป็นรหัสที่เราจะต้องรู้จักล่ใไขเข้าไปที่ประตูใจตรงๆจิตใจของเราไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นความรู้สึกของกายแต่ละขนาดนีมันมีความหมายมันเป็นกรรมฐานมันทำให้เกิดผลขึ้นมาคือธรรมชาติ ปฏิบัติทรรมือกลับมาหาความเป็นธรรมดาธรรมดาของกายของจิตเรามันเป็นธรรมชาติกายแก่กายเจ็บกายตายมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าความหลงไปตีความแล้วจริงๆนั้นมันต้องมันต้องมันต้องมันต้องมันต้องเป็นอย่างที่ใจเราต้องการใจเราสรุปอันนั้นคือความหลงที่พาไปสู่ความทุกข์ ความไม่รู้รู้ไม่ถูกหรือว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นเห็นไม่ถูกเห็นจิตเห็นใจของเราก็เหมือนกันมันมีตัวตนแต่ว่ามีพลังงานใช้กายสมองกายพิษาทมากมายหลงรู้รหลงห ล, ล, ล, ลงคิดคิดว่ารู้ก็รู้ความคิด ต้องมีความชัดเจนถอรหัสถูกมันถึงจะไขกุญแจแก้โซ่บ่วงหรือว่าเครื่องพันธนานการต่างๆมันก็ผ่อนคลายตัวลงไปจนรู้สึกสะดวกมีกายก็ใช้กายอย่างสะดวกทำหน้าที่มีวาจาแะสะดวกทำหน้าที่ พูดออกด้วยเมตตาป<อ>ิยวาจาวาจามตุลสวาจาสุภาษิตกรรมธิรภาพต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงๆจิงจิตใจของเราก็เหมือนกั น, น <poem. S 1> เห็นความคิดมันก็รลวลาความคิดเป็นอย่างงี้ก็หยิบมาใช้ <น poem. S 1> เกิดคุณค่าต่างๆ่ามากมายประโยชน์มหาศาล ยนตนประโยชน์ท่านความคิด ใ, ใจเราก็สเสียเวลาอีกนานเราก็จึงนี่นละมาเห็นความคิดรู้ทันความคิดโดยภาคปฏิบัติการลงไปตรงๆนวัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วัน7วัน1เดือน1ปี สังเกตอาการต่างๆที่มันเกิดที่กายที่ใจของเรามันเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างไรไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่ธรรมดาอย่างไรเพราะนั้นมันต้องโชคโชลปฏิวัติธรรมมันกลมีประสบการณ์ในการใจชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวปฏิวัติธรรมมันก็เหมือนใครไปอย่างนั้นเลยเห็นทุกอารมณ์ เราไม่ได้เลือกนะฉันชอบความเบาฉันชอบความสบายฉันชอบความสุขในการปฏิบัติธรรมมันเลือกไม่ได้หรอกแล้วแต่อะไรก็จะแสดงออกก็แสดงออกตามเหตุตามปัจจัยแต่ละกันแนะอย่าเมื่อยอย่าง่วงอย่าคิดอย่าฟุง้งอย่ามีเสียงดัง ไม่ต้องหลบเลยเกพะลมเนีอะไรจะมาก็มาอยาให้มีงูอยาให้มีสัตว์สาราสิงไม่ต้องไม่หลบเลยประชิญพร้อมประชิญตื่นตัวรู้พร้อมธรรมช า, าติทั้งหลายทั้งปวงก็จะมีสมดุลก็อยู่สมดุลเพราะนั้นต่างคนต่างอยู่ เป็นเรื่องของมึงก็เรื่อ ง, องมึงกับเรื่องกูก็เรื่องกูงกัมพูดการ น, นี้มีความหมายกูก็จะดูกูมึงก็ดูมึงไปเถอะตัวใครก็ตัวใครแล้วก็จึงนะฮะไม่พลาดโอกาสอารมณ์ต่างๆ ท่มจะแสดงออกมาเนี่ยมันจะสนุกตภาว่าผู้ดูก็จะแกล่งเข้มแข็งมันจะผ่านไปเรื่อยๆ เ, เป็นการเดินทางของจิตวิญญาณที่มันจะพัฒนาไปสู่ความพ้นทุกข์ตามลำดับขั้นตอนต่อไปรู้เตียนทด้นก็ชี้ชัดเอาไว้นะคำพูดของท่านมีความหมายมากถึงเราจะไม่ทันก็ตามเถอะ คนที่ใส่ใจแล้วก็ไหวที่จะจับประเด็นเพื่อน้องก็มาใส่ตนเปรียบเทียบเราจะได้เห็นว่าเราเดินถูกทางหรือว่าผิดทางให้ร่วรุมรูปนามมันเป็นยังไงอารมณ์รูปนามเราต้องถอดละหัสออกมาโดยภาคปฏิบัติการโดยภาค ก, การสัมผัสไม่ได้ใช้ความคิดจินตนาการ มันน่จนาจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี it ้มันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้วิภาควิจารณ์วิโตกวิจารณ์เราภาคการสัมผัสรู้ผ่านสัมผัสของการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะจนกว่ามันจะเกิดปัญญาขึ้นมารู้เท่ารู้ทันเอาเองเห็นการเคลื่อนการไหวของกายรู้เท่ารู้ทันเอาเองเคลื่อนได้บ่อยๆเคลื่อนได้เรื่อยๆ มีความเป็นกลางโดยไม่ต้องประคองเราก็รู้ของมันเองมาทำทูกข์ก็ให้ผลอย่างนั้นไม่เกี่ยวกับคนอื่นว่าใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยงานนี้เกี่ยวกับเราทำแล้วทำถูกแล้วทุกหรือไม่หรือว่าไม่ทุกหรือไม่ไ ม, มนเกิดการสว่างสวยัยภายในของเราเอง ที่เราเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมในการนั่งในการเดินในการยืนในการนอนในการกินในการหลับขับถ่ายต่างๆการตื่นการพูดการนิ่งอันนั้นก็คือลักษณะของความรู้ที่มันคล่องตัวว่องไว ตรงนี้เราจะรู้สึกว่าสบายมันสบายของมันเองเปรียบเทียบให้ความสบายคนถากหญ้าแล้วถากหญ้าเสร็จแต่ระหว่างทางนี่ไม่สบายคนขุดดินขุดบ่อเพื่อจะกินน้ำเคยขุดนะที่พูดอย่างนี้ถากหญ้าเคยถากนะเห็นอยู่เคยถากหญ้าสิบห้าไร ไรมันสะบรหลังสวนยางพาราปลูกสบับปะรดเอาไว้เหมือนกันเคยจีดยายข่าย้ากรบมมกโซนยาคาสวนละมุดสวนบังกุดสวนเงาะสวนทุเรียนเกยมันไม่สบายหรอกแต่งานเสร็จแล้วมาภูมิใจสบาย มันเห็นผลงานว่า ง, งานเราได้ทำเราได้ตั้งใจแล้วทำแล้วมันมีผลงาน <Yeah. S 2> ถึงเห็นความสบายมางานเสร็จกรนจะสบายเน่ห น, นื่อย <Yeah. S 2> ทั้งหิวข้าวทั้งแดดร้อนปวดหลังปวดเอว <Yeah. S 2> ปิดกับคนที่ก็สบายก็นั่งอยู่บ้านก็สบายแต่วไม่มีข้าวกินหนาสีจ่จอยสบายแบบนั้น ให้แบบนั้นนะประคองความสบายก็ไว้น <Yeah. S 1> อีกคนต้อไม่ต้องประคองความสบายแต่รู้ว่าเป้าหมายของงานเนี่ยมันเสร็จมันคืออะไร <Yeah. S 1> สองอย่างนะอันนี้ก็ลองพูดถึงคนที่เคลื่อนมือคนไม่เคลื่อนมือนะ <Yeah. S 1> สนามนี้หลวงปู่เตียนเนี่ยเคลื่อนมือไว้ดีไม่ผิดอะยังไงก็ไม่ผิดจะเคลื่อนสิบสี่จะกว่าหรือว่าจะเคลื่อนเล็กๆน้อยขยับเอาไว้ แต่ในรูปแบบภูเก็ตนั่นก็คือเคลื่อนในรูปแบบไปเลยอันนี้ไม่สบายหรอกทำแล้วง่วงเหงาหานอนเ จ, เจ็บหลังเจ็บเอวคิดฟุ้งซ่านปัญหาเรื่องปริโภชน์ความกังวลลูกหลานห่วงทรัพย์ห่วงอนาคตห่วงชีวิตห่วงฤทธิ์ห่วงเดดกลัวเป็นวัด ท, ทำไปแล้วเดี๋ยวมันจะขาด ความเป็นตัวตวนหายไปขาดความเป็นตัวตวนก็คือเคยรู้อะไรมาอย่างเช่นหลวงพ่อเขียนท่านเคยรู้เรื่องการเขียนยันท่านเราให้ฟังเวลาปฏิบัติมันก็จะคิดไปแล้วก็เขียนยันเขียนตัวอักษรที่เป็นตัวอักขระต่างๆเป็นภาษา ภาษาอะไร เ, ไเรื่อไม่ถูกแต่แล้วก็เอาไปให้เพื่อนดูเนี่ยเพื่อนขยําปลาทิ้งเลยขยำหลวงพ่อเอออึ้งเลยเพื่อนก็ดีบอกว่าเราไม่เอาแล้วสิ่งเราเนี่ยเราไม่เอาแล้วเหลือแต่ความรู้สึกตัวเรามาทําความรู้สึกตัวเจริญสติ เรื่องอื่นไม่เอาเลยของเก่าหลวงพ่อเอ อ, เอใจกันเลยเริ่มต้นดีจะมาทำความรู้สึกตัวใหม่จเจริญสติครั้ น, นี้ความคิดจะสั่งงานสั่งการอะไรไม่ทำเวลานี้ไม่ใช่เวลาทำงานหลวงพุทเทียนเหมือนกันเคยได้ยินได้ฟังเพื่อนเคยมีบนคนกันอยู่ เคยชีให้หลวงพ่อเทียนนะทำงานทําการจนกระทั่งเป็นข้าบดีชี้ช่องอาชีพให้ก็นิมพบอมาพยาญาณทำก็ตีคู่กันเองอีกคนหนึ่งเดินจงกรมอีกคนหนึ่งก็มาคุยด้วยหลวงพ่อเทียนก็เดินจงกรมตั้งใจปฏิบัติเพื่อนก็มาคุยเจาะเจะแจ๊ะแจ๊ะหลวงเทียนก็ไม่บอกเพื่อนว่าอย่ามาคุย หลพอเตียนไปเดินกลางกันนาหนูนะ่ะไปเดินบนกันนากลางแดดเปี้ยงๆเลยหนีเพื่อนวันทีเพื่อนก็นเดินเข้ามาหลวงพ่อรู้ละเดินเข้ามาหลวงพ่อก็ฉีกออกไปเลยเพื่อนก็นรู้ไม่อยากคุยด้วยตั้งใจเราไปวเวรอาปามาโปหัวแหลงหพอเตียนนะเดินกลางแดดเคยได้ยินท่านเทศมาแบบนั้น ก็ต้องส่วนตัวส่วนตัวนิดหนึ่งจัดสิ่งแวดล้อมขนาด น, นี้แล้วตัวใครก็ตัวเราแหละเดินยังคลมเราไปเดินตีคู่กันใครเพื่อนกันก็ไปขัหางห่างไกลๆเลยถือว่าเป็นมารกันแล้วกันถ้าเพื่อนของเรามาเดินใกล้ๆเราเราก็ไปเดินห่างๆไกลๆผมเรื่องอัตมานี่ไม่ไม่สนใจเลยนะบอกให้ สนใจแต่ว่าไอ้สิ่งที่เรามาปฏิบัติเนี่ยผลมันคืออะไรแล้วถ้าทำเหตุหตมันทำยังไงถึงจะได้ผลแบบนั้นก็เงียวหูฟังครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยเวลาท่านเทศจะประเด็นว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไรขนาดนี้ขนาดนี้เคยประเภทที่ว่าห่วงเก็บอารมณ์แ้มกลัวไม่มีอาหารกิน อาหารในที่นี้ขอแค่นมและตะซอยนี่แหละบรรกระกลองบวรกระกลองกนนีสมัยนั้นมันยากจนมากสิบสี่ปีที่ผ่านมาที่นี่ไม่มีอะไรของเ ห, อเหลือกินเหลือใช้ประเภทนี้ยจนเป็นขยะลกวัดนี่ยไม่มีต้องขนก๋ายตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองขนกวายกันนะนะคือตัวกิเลสตาหลังไม่เห็นว่ามันคือตัวกิเลสเนี่ย ให้ลุงชิดนะในนี้คงจะมีสักคนสองคนนะที่รู้จักลุงชิดเป็นพ่อของอาจารย์คำพลทองบุญนุ่มนะท่านมาอยู่ดูแลลูกของท่านที่วัดป่าสุโตสมัยนั้นท่านอยู่กุฏนะิสิบหกทำกุฏิเล็กๆให้พ่อกับลูกคู่นี้ก็อยู่เป็นกุฏิหลังแรกนะ ที่ทำเดปูนแล้วก็อยู่ในป่า น, นั้นลุงชิตนี่เป็นคนมีน้ำใจมีรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าอยู่คันหนึ่งเขขับบล็อกบล็อกบลบลอกบลอกบลอกบลอกไปซื้อกับข้าวไปซื้ออาหารเราเห็นว่ามีคนเข้าออกวัดอยู่คนหนึ่งในเนี้ยเราก็เลงเอาไว้ ซื้อนมและตะซอยลงังหนึ่งสองสี่สิบบาทแต่ว่าดื่มวันละกล่องวันละกล่องวันละกล่องขนวกวลงชิดกลับมาพร้อมกับเลือดโชคเอามาตร์ไซคไปล้มถนนมันลื่นมากสมัยก่อนไม่มีทางปูนซีเมนต์หรือว่าลาดยางเป็นหลุมเป็นบ่อ แล้วก็มันดินแดงเป็นดินเหนียวลูกลังฝนตกมันลื่นก้าวรถไปล้มมาควา่ําแล้วก็หัวเข่าเป็นเลือดศอกเป็นเลือดหลังมือเป็นแผลเลือดไหลแล้วก็แบกกล่องนมก็แบกอายุก็เจ็ดสิบกว่าแล้วตอนะแบกกล่องนมจากข้างนอกนะครับไปกดสิบสามเกือบกิโล ตอนนั้นมาก็เลยเห็นแล้วการฝนกายนะการชีนะ้ให้คนนั้นไปทำอย่างนั้นคนนี้ไปทำอย่างนี้นะมันติดก็มาในใจของเราเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตมันจะสะอาดรู้สึกตัวทาให้จิตเราปกติพอมันมีลักษณะของอารมณ์มากระทบมันติดทันทีตอนนั้นรู้สึกผิดมากมากสงสารลงชิด เดินจงกลมก็มีแต่ลอยเลือดของขาโปรไปหลงเปลือเข้าไปในจิตที่เป็นกำลังคิดกำลังปรุงรู้สึกขยาดเค็ดหลาบนะเพราะมันหลายวันมากทีความรู้สึกตัวมันจะจำาระแล้วก็ขัดเอาความคิดนะเรื่องลลงจิตออกไป อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของการเก็บอารมณ์มาที่วัดป่าสุขโตโมาสิบสามปีที่ผ่านมาเห็นประโยชน์ของการที่ตามมีตามได้พอเราเก็บอารมณ์อุกฤษมีเพื่อนอยู่คนนึงก็เห็นว่าเออเรานี่ไม่ค่อยได้มีฉันกับเขาเขาอยู่ข้างนอกมีราสการ์ล่ามีคนไปคนมาอยู่กลัวมีของกินของใช้เหลือเบื่อ ก็มีอีกคนหนึ่งชื่ออาจารย์สุรทัศน์นอาจารย์สุรทัศน์เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ท่านเกษิกไปแล้วและท่านก็จะผุนขวายนะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้คนนู้นมีน้ําใจทีเดียวใครเก็บอารมณ์ท่านก็คอยสั่งสองดูขาเหลืออะไรก็หามาท่านก็คิดของท่านเองว่าเราคนจะขาดได้นั่นขาดได้นี่ขาดได้นู่นมั้งแล้วก็เอามาให้ถึงท่านส่งข้าวส่งน้ําะ อุิ戒นี่มันมีสองแบบก็คือแบบที่เราใช้ชีวิตประจำวันธรรมดาแต่ว่าเก็บเกี่ยวความรู้สึกตัวอยู่คนเดียวอันนี้ถือตุนองค์วัด ต, ต่างๆอีกอันนึงก็คือไม่บินณฑบาตไม่ตักอาหารแล้วก็ไม่ทำวัดวดนมลนอยู่ด้ตัวของตัวเองอย่างเดียวเลยแล้วก็เพื่อนส่งข้าวส่งน้ำให้ ท่านก็มีน้ำใจแบบนั้นบางวันท่านก็สอนอารมณ์เราเอาข้าวไปให้แมวข้าวไปให้บางวันก็ข้าวน้อยกับเยอะบางวันก็กับเยอะข้าวน้อยแล้วแต่ท่านเราก็ขอบคุณที่เวลามันหิวแล้วท่านไม่มาส่งอาการต่างๆมันทําให้เราได้เข้มแข็งความคิดมันชวนให้เราหลงให้เราทุกข์ มันก็แสดงออกมาทีหยิบเลยคํคาบ่นคาด่ามันเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเราจิตอกุศลนนะ่ะรู้จักเลยทันทีจิตไม่เป็นบุญจิตไม่ฉลาด <Yeah. S 1> เป็นจิตที่มันเคยมีนิสัยมีพื้นนิสัยขึ <Yeah. S 1> ย้นมาดูไล่โมโหโโสร่ แ, แสดงออกมาอาฆาตปูกพยาบาทจองเวรเรารู้จักมันเลยเพราะฉะนั้น ที่จะมาไล่ฟังนั่คือสรุปว่าอย่างนี้นะอารมณ์แรกที่จะมารู้จักเลยว่ามันคือตัวหลงที่เข้าไปปล่มก็คือตัวโกรธตัวโศตตัวโศตตัวโกรธแทะเจ้าก็ถ้ามันเห็นตัวที่เป็นตัวปฏิฆะคืองดหงิดเบื้องต้นมันไม่ใช่อยู่อยู่จะโกรธ มันปกติอยู่บืงต้นเรารู้จึกตัวอยู่ทีนี้พอมันมีความคิดเกิดขึ้นมามันก็จะเริ่มมีอาการงุดหงิดจิตมันหลุดจากความเป็นปกติไปมันจะมีปฏิกยาเราก็สัมผัสได้ถึงว่าอาการเดิมจะเริ่มก่อไม่กีดหัวเดียวมันเริ่มที่จะจุดเดียบไหมถ้าเราใส่เชื้อให้มันก็คือช่วยกันคิดร่วมกันปรอง ไม่รู้สึกตัวแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไฟนะร้อนปุ๊บทั้งตัวเลยเผาลนนะแล้วเดี๋ยวจะแสดงออกแล้วถ้ามาก็จะดา่ามันจะไม่ปกติมันจะดา่ามันเตรียมบางแผนไว้ซ้อมอยู่ในใจเดี๋ยวดอะเดี๋ยวโดนมันกลายว่าเห็นเดี๋ยวพราว่ามันเห็นความคิดนะที่คิดว่าเมียจะมีชู้ สําคัญเร า, าบวชแล้วก็วางลูกวางเมียวางบ้านวางงานวางการวางทรัพย์มากล่าว่าพระนิพพานมันมีจริงต้องพิสูจน์ดูครูบาอาจารย์ท่านท้ทาทายต้องพิสูจน์ดูศรัทธาในพระสัทการในแนววิธีการหลวงปู่เทียนเห็นว่ามันถอนรหัสกรรมถอนรหัสธรรมของเราได้ ทำเราเรียนวิชาพุณศาสนาโดยรางกายเป็นธรรมราจิตใจเป็นธรรมรามาฝึกสติตัวรู้ตัวเห็นเป็นนักศึกษาเรียนรู้เดินทางเราเชื่อว่าความรู้ตัวการเคลื่อนการไหวนี่มันสามารถพาเราเดินทางได้จริงนะเกิดศรัทธาขึ้นมาอุตส่าห์มาถึงวัดถึงวาระยัง้งใจคิดอยากจะกลับอยากจะศึก อยากจะไปดูซิว่ะยังอยู่ดีกันอยู่รือหลูกเต้าคนมีโูกก็คิดแบบคนมีลลกกันแหะคนมีบ้านมีงานก็คิดคนแบบคนมีบ้านมีงานมีพ่อมีแม่มันก็คิดไปเ้าเทียงกันคือมันชวนออกนอกกรรมฐ า, านด้วยนะเราได้เห็นไม่เห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือคำตอบแรกแล้วล่ะ เมื่อก่อนมันเคยร้อนวุบตอนนี้มันเย็นวุบนี่ฮะก่อนที่มันเย็นวุบมันก็ปกติอยู่เพราะฉะนั้นไม่เสียเที่ยวไม่สูญเปล่าการปฏิบัติธรรมนี่ทำให้เราเห็นนรหัสตัณฐยาไปหาละเอียดมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอารมณ์เหล่านั้นอ๋อพอเราลืมความรู้สึกตัวเนี่ยมันลืมก็ต้องหลง ลืมเมื่ลืมตัว ต, ต้องหลงก็ไปในความคิดหลงก็ไปในอารมณ์อย่างนี้มันเห็นนักดา น, น, น, นันมาเนี่ยมันเหมือนกันทุกตัวทุกตัวคิดแล้วก็กรอดคิดแล้วก็โลบคิดแล้วก็หลงคิดแล้วก็รักคิดแล้วก็จังคิดแล้วก็เป็นสมบัติบัญญัตินกลายเป็นรหัสของบุญของบาปของอุปัฏนาเป็นเรื่องของสติ เรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่มันมีอยู่ในการคิดกันปรุงมันเป็นสภาวะของซ้ายของขวาของสมดลุลบางเป็นปกตินะเราเลือกได้บอกเลยว่าเราเลือกได้ไม่ใช่หมายถึงว่ามันเลือกไม่ได้แล้วแต่อยู่ไปวันๆนหนึ่งไม่ต้องทำอะไร แล้วก็ถือว่านั่นละคือความเป็นปกตินั่นละคือความประมาทนะอย่างที่เมื่อกี้เราสวดกันอันดาตาในพิ ก, กเวอบรรดยามิโวดูก่อนวิกษุทั้งหลายบับ น, นี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิอ องสมเด็จสมามเจ้าคงไม่โกหกเราเราเห็นแล้วคนใกล้าตายส่วนใหญ่ไม่โกหกเลยมีอะไรบอกหมดจนเคยทําไม่ดีมานะฉันซุกไอ้นั่นซ่อนไอ้นี่ไว้ตรงนั้นตรงนี้นะนขอภขอ ภ, ยอ ภ, ยอภยัยขออภัยขออภัยพูดต่ความจริงนะคนใกล้ตายพระเจ้าก็พูดความจริงอยู่ทำที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจคือความรู้สึกตัวนั่นแหละการมีสติสมัมปชัญญะนั่นแหละ พอเราเผลอหลงไปจากความรู้สึกตัวนะการเคลื่อนการไหวถ้าขณะแน่นอนที่ดความคิดมันก็เมียมนาจนะเราไม่ห้ามความคิดแต่ว่าขณะที่ความคิดมเกิดขึ้นมาถ้าไม่รู้สึกที่ตัวกายนะมันจะเผลอเข้าไปในความคิดการปรุงการแต่งพอเราเป็นะปนักปฏิบัติปับ๊บนะปฏิบัติรรมเราก็เห็นนัานดีอะ ความรู้สึกกับตัวคิดมันคนละตัวกันเนี่ยแยกตรงเนี้ก่อนแยกแยะกันไว้ก่อนสัมผัสแต่กนณีส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่มีปัญญาที่จะมาเห็นความคิดตรงที่ว่ามันทําแล้วยังอยู่ในสภาวะของการที่นจิตมันยังไม่คุ้นเคยกับตัวกรรมฐานวิปัสสนามยังไม่เกิดมันกลายเป็นสมถกรรมฐานอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าไปในความรู้สึกตัวไปจมอยู่ในการเคลื่อนการไหวแต่ละขั้นะเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันผิดนะหมายถึงว่ามันยังขาดตัวสังเกตอยู่ขาดตัวที่จะปรับให้มีความรู้สึกที่กายแต่พอดีมันยังไม่พอดีอถ้าเขียนหนังสือก็ยังกดปากกาแรงเกินไปนะกระดาษก็ขาดกดกระดาษแรงเกินไปเส้นมันก็หยาบๆเป็นล่อง แต่เราพอดีพอดีนะการเคลื่อนการไหวต้องเคลื่อนให้พอดีอนะถ้าไม่รู้ว่าหยุดอย่เคลื่อนเดี๋ยวนะมีการเคลื่อนมีการไหวแล้วมีการหยุดอันนี้มันคือเทคนิคเบื้องต้นของนักปฏิบัติพอเราเคลื่อนแล้วเจอลักษณะของการเคลื่อนหยุดเป็นจงังหวะแล้วก็มีความพอดีมนะันจะรู้สึกสนุกแล้วล่ะ มันจะมีจิตปลาโมดเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาวิชาเกิดนะศรัทธาความเชื่อม เ, เมื่อเกิดเมื่อศรัทธาความเชื่อเกิดนะจิตปลาโมดเมื่อเกิดความรื่นเริงในการปฏิบัติเมื่อเกิดขึ้นมาพอจิตปลาโมดมันเกิดขึ้นมานานๆปีติมันก็เกิดเราจะเกิดความอิ่มใจขณะเคลื่อนไหวนะอยากอยู่คนเดียวได้ซ้ํำไปไม่ต้องการในใครมากวนได้ซ้ําไปเพราะว่ามันรู้สึกรื่นเริง อิ่มกับการปฏิบัติทีเกิด น, น้ำลายก็อร่อยไม่หิวอารมณแบบนี้นมันมีอยู่ปะะัจสถานมันก็เกิดความสงบก็เกิดขึ้นมาจิตลูกตากายลูตาเกิดขึ้นมาเบากายเบาใจมันบอกทิศบอกทางของผู้ปฏิบัติเลยหนึ่งวันสองวันสาวัน4ี่วันเนะ่ยควรเจออะไรมันตรงไปตรงมานะแล้วก็มีความสุขนั้นสุขมันมาเอง คนที่มีความสุขแล้วก็กําลังเคลื่อนอยูนะอันนั้นแหละมันจึงเป็นอารมณ์ปฏิบัติขณะที่เราเคลื่อนอยู่น่ะแล้วเราเคลื่อนได้ต่อเนื่องหนึ่งวันสองวันเป็นอาทิตย์มันเคลื่อนแล้วมีความสุขมันไม่ใช่ว่าสุขที่ไม่ได้เกิดจากการเคลื่อนการไหวมันคนทํางานถากหญ้าที่ยกตัวอย่างมันมีความสุขมันมีความหวังมันก็ที่ฉีดยาฆ่าหญ้ามันหนักมันเหนื่อยสิบ้าไล่ยี่สบไล่ห้าสิบไล่ แต่มันมีความหวังเมื่อสําเร็จแล้วมีความสุขนี่ก็เหมือนกันแหละเป็นนิรามิต ส, สุขสมที่ไม่ต้องอิงอามิตรก็มีประตูหนึ่งสองสาบุคคลหนึ่งสองสาแต่ตอนนี้เราใช้กายใช้ใจของเรามีความสุขแล้วกายรูตาจิตรูตาแล้วก็เป็นความสุขขึ้นมาตรงนี้แหละมันถึงเกิดสมาธติตั้งมั่นกับสิ่งที่เราทําอยู่เื่อนไหวตั้งมั่นอยู่ ก็สังเกตได้คนที่มีสมาธิจะทำอะไรได้นานๆทนๆแล้วไม่ใช่ทนทาแตา่ความอดทนมันเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ทำงานแล้วก็มีความสำเร็จทำอะไรสำเร็จก็ต้องทนจนงานสำเร็จนี่นแหละถึงวางไม้วางมือต่อไปวางเครื่องไม้วางเครื่องมือตอนนี้เรายังไม่วางเพราะว่าเรากาลังเดินทางต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือ ต้องมีรูปแบบมีวิธีการปฏิบัติมีกรรมวิธีในการปฏิบัติพอมีความสุข ม, มีสมาธิเกิดขึ้นมาเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาอย่างเงี้ยสุขเราก็ไม่ติดตอนหลังกลายเป็นว่าเราทำเนี่ยเราไม่ได้ติดความสุขนะเพราะวาความสุขเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาในจิตในใจของเราได้เห็นอย่างนี้บ้างไหมหรือว่าพระกําลังพูดโกหกมดเท็จอยู่หรือว่ากำลังพู ด, กหกห ด, พพดในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงอยู่ แต่ถ้ามันไม่จริงนะคิดว่าสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่เราก็เป็นคนพิสูจน์กันต่อไปนะแต่ถ้ามันเป็นจริงขึ้นมานะเราพิสูจน์แล้วมันก็ต้องมีเหมือนกันแหลนะในเพราะความรู้สึกตัวนะความเป็นปกตนะิมีอันดับแรกเลยทุกครั้งที่สัมผัสมันเกิดขึ้นมาแล้วนะนะ อันนี้ก็พูดถึงอารมณ์เบื้องต้นให้ฟังว่าเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยรหัสกรรมราัธรรมเบื้องต้นกรรมมาฐานรหัสของกรรมฐานนีคือเคลื่อนไหวรู้สึกรหัสธรรมเบื้องต้นก็คือจิตที่มันปกติอยู่แล้วก็จะมีกุศลธรรมและอกุศลธรรมก็คือธรรมที่เกิดความฉลาดเช่นปิติพวกนั้นนะปัสจิธิแล้วก็ธรรมที่ทําให้เกิดความไม่ฉลาดความขี้เกียจ ความกโกรธโทรธสาเรื่อปฏิฆาต่างๆความหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจอยู่นะันะอันนี้ก็คือธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกุศนะลอกุศลเราก็เริ่มทอนรหัสจนกระทั่งเหมือนกับว่าความเป็นปกติมันเด่นไปเรื่อยๆพื้นทีนะ่ภายในจิตใจมันเป็นความปกติอยู่แทบจะต่อเนื่องทั้งวัน โดยที่เราไม่ต้องปกครองมันเป็นนิสัยของจิตนะที่มันเริ่มคุ้นกับความเป็นปกติแล้วก็มันเห็นแล้วว่าคุณค่าของความเป็นปกตินะมันเป็นคุณมันเป็นคุณมันเกิดความเฉลียวฉลาดตรงความเป็นปกตินะเคยเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบอีกว่าจิตปกตินะมันทําให้เกิดนะปัญญาญาณขึ้นมาแล้วก็มีปัญญาญานนำจะขนส่งเวลา โกรธมาเป็นปกติเวลาทุกมาเป็นปกติเวลาหลงมาเป็นรู้มารู้ที่อยู่ชัดเจนตรงนี้เลยนะที่เรามาเก็บอารมณ์กันก็ตั้งข้อสังเกตนิดนึงขอไปที่ต้งตองอ ท, ที่ต้องตั้งข้อสังเกตเพราะว่าไม่ต้องการในความรู้สึกนี้เรียกว่าความปรารถนาแล้วกันนะ ปรารถนาให้ทุกๆชีวิตเน่นะเหมือนกับว่าได้พาตัวเองเนี่ยเดินทางแล้วก็เป็นทางรัฐไม่ต้องอ้อมแล้วก็เนินช้าเสี่ยวลเวลาก็จึงอะไรที่มันเป็นส่วนประกอบแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้พวกเราทุกคนเนี่ยเดินทางตรงแลวไปทางเดียวกัน สู่เป้าหมายหรือ ว, ว่าจุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือความพ้นทุกข์โดยอาศัยสมมติบัญญัติกำหนดคอร์ดขึ้นมาเก็บรมกรรมฐานเข้ม40วันสมมติกำหนดสถานที่เไว้บริเวณลานหินโก้หรือ ว, ว่าจุดต่างๆของพระสงค์ให้เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรม ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเวลาเรามาอยู่สถานที่แบบเนี้ยนะเราตั้งเต็นตั้งแคมปนะ์เนี่ยพยายามมาด่านจิตไปเลยพยายามไม่ให้ความคิดมันแลากออกไปออกไปเช่นกลางเต็นท์ไว้แล้วเนะี่ยหรือว่ากําหนดที่นั่งที่เดินที่ยืนที่นอนให้เราตั้งใจไว้เลยสี่สิบวันเนี่ยพยายามอยู่ตรงนั้นนะ อย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้กําลังมีการย้ายกันเต็นนั้นเต็นนี้เต็นโดน ون, เช่นฝนตกเนี่ยหลายคนคงคิดแล้วไปกลางตรงไหนดีที่ฝนมันไม่สาดไม่เปียกนีเมื่อเกินฝนมันตกลมพัดรองฝนอาจจะโดนเข้าไปในเต็นบ้างอะไรบ้างเงี้ยลุยเลยญาติโยมอันนี้เชียจริงจริง อาหารเหมือนกันตักทีหลังก็ตักก่อนได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแล้วก็สังเกตว่ามันผ่านของมันด้วยความรู้สึกตัววันๆเอาชีวิตรอดไปวันๆแล้วก็มันเป็นเรื่องของการไม่เรียกร้องไม่ขนกลายไม่ร้องขออะไรทั้งหมดเลยลองดูนะในเวลาที่เหลืองแต่วันนี้เป็นต้นไปนะแล้วเดี๋ยวอ่านมาจะคอยสังเกตให้ หรือว่ามีหลวงพ่อเขียนท่านอยู่ก็จะคอยบอกหลวงพ่อเขียนให้ว่าคนนั้นติดอารมณ์คนนี้ติดอารมณ์ให้หลวงพ่อไปแก้อย่างเมื่อวานได้สังเกตเห็นนะถ้าใครอยู่แถวร้านหินกุ้งหลวงพ่อจะเดินไปเดินมาหลวลงพ่อก็จะพูดลอยๆของหลวงพ่อดูนะดูให้เห็นเห็นแล้วจะเข้าไปเป็นนะหลวงพ่อพูดลอยๆนะเดินไปพูดคนเดียวดังๆอ่ะไรแบบไม่เคยเห็นว่าหลวงพ่อท่านท่านพูดอย่างนี้มีวิติกรรมอย่างนี้ แล้เดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะมาบอกอารมณ์เราเองท่านจะสังเกตได้ว่าใครติดอารมณ์อยู่ตรงไหน<ะ>ให้เชื่อตรงนี้ศิภาพของวัดป่าสุขโทนมีเรื่องแบบนี้อยู่แต่พอคนสร้างวัดสร้างวาร์รูปตัวของหลวงพ่อเขียนทั้งท่านอยู่มุมสูงท่านมองลงม า, ๆๆๆาท่านเห็นทุกซอกทุกมุมเลยเห็นไหมอันนั้นมาก็ใช้เวลามาประมาณ45นาทีก็ พูดไว้แค่นี้ก่อนในเบื้องต้นนะก็ขอให้การแวกธรรมของเราหรือว่าการประพฤติปรมอาจารย์ของเราทั้งหลายนะก็จงเป็นไปนะจุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือความพ้นทุกข์ก็จงบังเกิดนะในวันนีนะ้หรือว่าในอนาคตอันใกล้นี้โดยทุนวกันทุกท่านทุกคนเทิอ